Thank you. การใช้ชีวิตถ้าใช้ชีวิตอย่างมีศีลความถูกบีบคั้นในใจก็ไม่มีในชีวิตอยู่กับผู้สน <c oughs> แล้วก็ละผู้สลไปเรเย สงบก็จะเกิดเร็วขึ้นง่ายขึ้นจิตใจสงบตั้งแต่การใช้ชีวิตแต่ถ้าในชีวิตของเราสร้างเหตุแต่ความเล่าร้อน ตุ้นให้กิเลสตัณหาเกิดอยู่ทุกวันทุกวันแล้วอยู่ๆมานั่งสมาธิจะสงบอยังไงอ <c oughs> ่าล้วก็รู้โมทนาสามทุกึกเอาไว้ให้มากนันสอกไปว่าทำต่ออย่างนี้ทุกท่านเตรียมตัวกราบอาจารย์ และก็เป็นเช้าวันสุดท้ายของการปฏิบัติ น, นวันนี้ก็เป็นวันที่21มกราคม2561 มาถึงแนนะ่ไม่ขึ้นกับอยากหรือไม่อยากของใครวันที่เรามานะคอสวันแรกวันสุดท้ายก็ดูเหมือนจะอยู่ในอนาคตขณะที่เรานั่งฟังธรรมกันอยู่เมื่อวานนี้วันสุดท้ายก็ดูเหมือนจะอยู่ในอนาคต แต่เมื่อวันสุดท้ายมาถึงจริงๆมันคือตอนนี้เมื่อวินาทีสุดท้ายของชีวิตมาถึงจริงๆมันจะคือตอนนี้ของทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ไม่พร้อมตอนนั้นก็จะไม่พร้อมเหมือนกันแต่ถ้าตอนนี้พร้อมตอนไหนๆเมื่อมาถึง ก็ไม่มีปัญหารลวงพชาเคยบอกเอาไว้นะว่าเวลาเราได้แก้วใบใหม่มาไปให้เราพูดกับตัวเองเส ม, มอว่าวันหนึ่งมันแตกแน่แล้วทุกครั้งที่เราหยิบแก้วนั้นมาใช้ล้างแก้วใบนั้นให้เราพูดเส ม, มอว่า วันหนึ่งมันแตกแน่เราจะใช้มันไปนานแค่ไหนก็ตามวันหนึ่งเมื่อมันหลุดมือเมื่อมันตกลงแตกเพลงทันทีที่เราเห็นเราจะรู้สึกว่าวันหนึ่งมันแตกแน่แล้วมันก็แตกแล้วถ้ามันจะไม่ตกใจมันจะไม่เสียใจมันจะไม่เสียดาย นี่คือทำไมพู้เจ้าถึงให้ทำมรณสติคือการอยู่ด้วยความไม่ประมาทวันนี้พวกเราทุกคนใช้ชีวิตประมาทเราลืมไปว่าเราต้องตายอีกครั้งหนึ่งที่มีผู้ชายคนหนึ่งนักธุรกิจมิสเตอร์โปรเจกต์เข้าไปอยู่ในวัดนาปะวัดหนองประพง์ ในขณะที่กําลังเดินดูวัดก็มองสถานที่ตรงนั้นตรงนี้ที่ว่างตรงนี้น่าจะสร้างไอ้นั่นตรงนั้นน่าจะสร้างไอ้นี่คิดไปสร้างในวัดท่านหมดนะตรงนี้มันน่าจะมีไอ้นั่นไอ้ น, นี่เขาไปยุ่งในวัดท่านหมดท่านก็เดินผ่านมาพอดีแล้วก็พูดลอยๆขึ้นมาไม่เผื่ตายวันเลยไงไอที่ทําททำเนี่ยท่านก็เดินเดินคือทำกันจริง ทำกันจนไม่เผื่อตาย้างเลยวันนี้เราดึกไม่ออกกันะว่าสิ่งที่เราสร้างไว้เนี่ยเราจะบอกว่าแอบไปยึดทุกอย่างเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในมักยน้อยคอสของเด็กๆมีการให้เด็กวาดรูป ให้กระดาษไปคนละแผ่นกับสีคนละชุดให้เด็กนั่งวาดรูปให้วาดรูปอะไรก็ได้ที่เขาอยากวาดเอาให้สวยที่สุดเท่าที่คิดวัวสวยได้ให้เวลาสิบห้านาทีหลังจากนั้นเด็กก็รวบรวมกระดาษที่วาดขึ้นมาก็ามีคุณครูก็ช่วยกันคัดรางวัลที่หนึ่งสองสามขึ้นมาว่าสำหรับฝีมือที่สุดยอด แล้วก็เห็นโอ้โหสวยจิ่ิ่ม15นาทีเด็กวาดรูปได้สวยมากๆทั้งลายเส้นทั้งสีสันก็ส่งขึ้นมาเขก็ส่งขึ้นมาให้ผมผมก็หยิบรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาดูผมโอ้โหสวยมากๆแล้วเกิร์ก็ชูให้เด็กทุกคนในห้องดูนี่คือรางวัลที่หนึ่งเด็กร้องโอ้โ ห, โหสวยมากแล้วก็เชิญเจ้าของผลงานขึ้นมา แล้วก็กล่าวความชื่นชมเด็กๆ ก, ก็อนุโมทนาสาธุกันขณะที่ทุกคนกำลังอนุโมทนาชื่นชมผมฉีกรูปนั้นแวกกลางเวทีเลยกลางหน้าห้องเลยเด็กทั้งหมดร้องกรี๊ดเลยตกใจนึกไม่ถึงแล้วผมก็ส่งคืนสองแผ่นเด็กก็น่าจักงังแน่ๆ ต่ตอนนั้นเขาไม่ได้ร้องไห้ผมก็หันไปถามเขาว่าทุกข์ไหมเขาก <trad Italians fight women> ็งงๆแล้วก็บอกว่าทุกข์คือฉันมีโอกาสสวนกลับคงด่าแล้วล่ะนะคงไม่ใช่แค่ทุกข์อะแต่นี่มันทำไม่ได้ทุกข์ผมก็ถามเขาว่าวาดรูปนี่มันานเท่าไหร่เขาบอกสิบห้านาที สิบห้านาทีเองเหรอยังเสียดายขนาดนี้เลยเหอยังเสียใจขนาดนี้อะอยู่กับมันมาแค่สิบห้านาทีสร้างมันขึ้นมาแค่สิบห้านาทีเนี่ยรู้ไหมว่าพ่อแม่เลี้ยงเธอมาเนี่ยสิบหกปีถ้าเธอเป็นอะไรไปเนี่ยใจพ่อแม่เนี่ยจะขาดเลยรู้ไหมว่าเขาผูกพันลงไปเท่าไหร่ อันนั้นคือการสอนเด็กถ้าผมเอาตัวอย่างเดียวกันมาบอกท่านเนี่ยขนาดสิบห้านาทีเนี่ยแค่กระดาษใบเดียวขาดเนี่ยใจจะขาดแล้วที่ท่านสร้างมาห้าสิบปีสี่สิบปีหกสิบปีคิดว่าจะไปกันง่ายอ่วันไหนไม่เจอยังไม่รู้นะเจอเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นไม่ฝึกไว้ล่ะตายไม่เป็นสุขติดไปหมดนะติดไปหมดแค่เข้าของเสียหาย<ม>แค่อะไรเกิดขึ้นลองถามใจตัวเองดูของที่รักจากไปสิ่งที่รักเสียหายวันที่คุณพ่อผมป่วยเป็นมะเร็ง ก็เข้าโรงพยาบาลวันนั้นท่านแข็งแรงมากอายุ65ท่านั้นเองตอนนั้นเป็นตัวร่างกายธรรมดาหมอบอกเป็นมะเร็งแข็งแรงเป็นมะเร็งก็พ่าใครจะไปรู้ว่าการเข้าโรงพยาบาลครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายกําลังนัดเพื่อนๆกำลังจะไปเดินป่าเขาใหญ่ จนช่วงสุดท้ายมาถึงผมเป็นคนเฝ้าพ่อนอนอยู่บนเตยียงผมจำได้แล้วก็เรียกว่าหมีมาหาพ่อหน่อยตอนนั้นผมก็สอนภาวนายอยู่แล้วพ่อก็บอกว่าสอนพ่อปฏิบัติธ ผมก็จับมือท่า น, นแล้วก็ก็ไปบอกวิธีพ่อหลับตาลงแล้วก็ร้องไหยร้องไห้แล้วก็ลืมตาขึ้นมาแล้วบอกว่าพ่อทำไม่ได้พ่อทำไม่ได้ พ, ไได พ, พ่อถูกมากพ่อถูกมากๆพ่อไม่อยากตายผมรู้ทันที ผมสอนคนที่กำลังจมน้ำให้ว่ายน้ำไม่ได้แล้วทั้งบ้านทุกคนเข้าสู่การปฏิบัติธรรมทั้งหมดยกเว้นพ่อคนเดียวพ่อบอกว่าพ่อเป็นคนดีอยู่แล้วพ่อไม่ได้ทำบาปทำชั่วอะไรซึ่งเราก็รู้ว่าพ่อก็เป็นคนดีแต่คนดีวันที่จะไป เพราะความยึดติดด้วยความมิรู้ไม่ได้บอกเขาไม่ดีแต่คนดีก็ทุกทุกๆวันผมก็เลยต้องเปลี่ยนพวกสอนปฏิบัติไม่ได้ผมรู้แล้วตอนที่มีเวลาอยู่ในชีวิตพ่อไม่ได้ใช้เวลานั้นเลยในการฝึกก็เลยใช้เปลี่ยนเป็นพูดอะไรให้เกิดกุศลแทน ทางการนี้ก็รับใช้พาอมานานถึงวันนี้มันผูกพังลงไปพ่อก็เข้าใจเขากันลกันเขาก็คงไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนี้แต่ในเมื่อมันเป็นแล้วก็รู้สึกขอบคุณเขาตอบแทนเขารับประทานอาหารลงไปให้เขาพออยู่ได้ พูดไปไดเรื่อยๆอีกวันสองวันท่านก็เสียชีวิตท่านเสียชีวิตเือนผมําได้หลังจากพอผมคุยกัเสร็จผมก็เข้ามาอยู่ในคอสปฏิบัติธรรมขณะที่ผมอยู่ในคอสปฏิบัติธรรมก็มีโทรศัพท์เข้ามาขอสายผมแล้วก็บอกว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วผมก็เลยต้องออกจากคอสนั้นกลางทางอย่าประมาท ผมเดินทางมาตลอดสิบกว่าปีปฏิบัติธรรมมาจากวันแรกถึ ง, ถงวันนี้ก็ยี่สิบเอ็ดปีถ้าเห็นองค์อาจารย์ก็แก่แล้วนะแต่ตอนที่ผมเข้าปฏิบัติเหมือนท่านจริงๆเนี่ยถ้าลบอายุตอนนี้ห้าสิบห้าเนียผมเข้าปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุสามสิบสี่ซึ่งสามสิบสี่ก็ยังหนุมแน่นนั่งไม่โอดไม่โอย ตอนนี้ลูกก็โวย น, นก็โวยนะท่านทั้งหลายที่นั่งมาตอนนี้ก็ก็เอาเถอบางคนก็สูงอายุนหน่อยนะเจอกับผมเนี่ยก็ามาบอกผมว่าแม่เสียาจจังเลยเจออาจารย์ช้าเกินไปตอนนี้ก็แก่แล้วนะผม ก, ก็ไม่หรอกนะพอดีแล้วล่ะพอดีแล้ว เพราะว่าต่อให้มาก่อนหน้านี้เนี่ยท่านก็ไม่ปฏิบัติท่านเอาเวลาก่อนหน้านี้ไปใช้หาเงินหาทองกินเที่ยวไปเมืองนอกพอถึงตอนนี้ไปเมืองนอกก็ไม่ไหวแล้วไปไหนก็ไม่ไหวแล้วท่านก็มานั่งฟังนั่งก็ไม่หลงนั่งก็หลับได้ยินอะไรก็ไม่ได้ยินที่ได้ยินก็ไม่เข้าใจแต่ไม่ใช่ปัญหาหรอกมาอยู่ในที่นี้เนี่ยไปสวรรค์ได้อยู่แล้วพรจินเป็นกุศล ดีไปอยู่บ้านอ๋อนั่งหลับดีได้ เ, เหรอออดีจะอยู่บ้านมานอนแล้วถ้านั่งนี่มันยังนั่งหลับเนือได้ฝืนกิเลสกันั้างแต่ยังมีการเผากิเลสได้เห็นภาพมันเป็นกุศลได้เห็นภาพมันเป็นมงคลมันติดตาถึงใจเป็ น, เ, ปนเกิดเป็นนิมิตครั้งสุดท้ายในชีวิตตอนลมหายใจสุดท้ายกุศลจิตก็ยังมี ะฉะนั้นก็ฝึกเอาไวตลอดการเดินทางอย่างน้อยที่สุดอย่างไม่ได้อะไรเลยของแต่ละคนก็ขอให้ปิดอภัยขอให้ปิดอภัยให้ได้การปิดอภัยให้ได้คืออย่าทำผิดศีละ้าอย่าทําผิดศีลห้ เมื่อไม่ทำผิดศีลห้าแล้วเข้ามาอยู่ในศีลในธรรมสวดมนต์อย่างน้อยวันละครั้งทำบุญใส่บาตรอาจจะดูเป็นเรื่องโหโบราณจังท่านไม่รู้หรอกนี่แหละคือความเคยคุ้นความเคยคุ้นของคนที่นั่งสวดมนต์ทำบุญใส่บาตรอยู่เป็นเนืองๆรู้ไหมว่า วินาทีก่อนตายผู้เจ้าตรัสเอาไว้ว่านี่เป็ครั้งสุดท้ายที่จะโผล่ในใจของเ้าเนี่ยจะเรียงลําดับเป็นอย่างนี้นะหนึ่งกรรมที่จะโผล่ขึ้นมาในวินาทีจิตวิถีจิตสุดท้ายหนึ่งอนันตริยกรรมถ้าใครเคยมีอนันตริยกรรมคือการทําบาปขั้หนักที่สุดการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่า ยุยงสมให้แตกกันทำผู้จ้าให้ห่อพระโลหิตการกระทำเหล่านี้เนี่ยจะกรีดลึกลงไปในจิตกรีดลึกมากๆเพราะฉะนั้นเมื่อกำลังจะขาดใจตายเนี่ยภาพจะปรากฏขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเอาเวจีมหานรกเป็นที่ไปอย่างเดียวอย่างที่ผมบอก ถ้าใครทําผิดมีเฮโรอีนมีขนยาบ้ายาไอซ์เดินผ่านเครื่องสแกนไม่มีเดินเป็นปกติทุกคนเพราะฉะนั้นจับไงมากตํารวจรู้ว่าคนแค่มองตาเขาก็ทําอะไรนะสังเกตนะแล้วท่านเดินเข้าเครื่องสแกนเราเขาจะมองตาถ้าใครหลบตาเนี่ยนะเดี๋ยวเชิญเพราะยังไงคนทําผิดมันต้องมีพิรุธ ใจมันก็แต่ถ้าคนไม่ได้ทําผิดนะเดินอยากเปิดเลยก็เปิดอย่างดูได้ก็ดู่เปิดรู้อขึ้นนอนไม่หมดเราไม่เห็นรู้สึกอะไรแต่ถ้าคนน <konuş cantidad> ั้นเนี่ยเหงื่อแตกเลยถ้าขอเปิดกระเป๋านี่ยเหงื่อแตกเลยบางทีผมยังแกล้งทําเป็นมีพิรุธดูด้ยโทษนะ ก็ผมพูดอะไรอยู่อันตริยกรรมเนี่ยนี่แป็ทีหมดไปโคดแล้เนี่ ย, เ, เ, เ, ยเดินๆดินมันเดินอยู่ที่ไหนสองอา จ, จินนะกรรมอา จ, จินก็รู้ว่าทำเป็นอา จ, จินอา จ, จินนะกรรมกรรมที่ทำบ่อยๆ การกระทาที่ทําบ่อยๆมีบางคนเห็นหมดไม่ได้เป็นต้องฆ่าต้องเอามือรูปให้ตายเจอยุงไม่ได้เป็นต้องตบล้างผานเพราะฉะนั้นกรรมเนี้ยนิมิตจะโผลตอนตาย กวอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีอภิญญานั่งอยู่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะตายขณะที่กาลังจะตายท่านเห็นจิตท่านถามญาติว่าสมัยมีชีวิตหรือตอนที่มีชีวิตแม่ทำอะไรกับมดเาอลูกก็นั่งนึ่งแปบบ๊บนึงบอกแม่เจอมดไม่ได้เลยแม่เจอมดแม่ต้องฆ่า ทนก็เลยพยายามชวนคุยเพื่อให้จิตเนี่ยเปลี่ยนเรื่องแล้วก็ปล่อยเผยแป๊บนึงเอาเอีกทำอะไรไว้กัไก่อ๋ถ้าใครมาบ้านแม่ก็จะเชื้อดไก่ที่เลี้ยงเอาไว้แล้วก็เลี้ยงแขกอีกเนี่ยเห็นห ม, มันจะระลึกขึ้นมาในจิตสุดท้ายทั้งนั้นนะไอ้ของที่ทําผิดศีลเนี่ยมันจะระลึกทันน้งหมด ผมพูดอย่างเนี้ยในใจท่านกําลังระลึกไหมคนที่เคยทําผิดศีนะลระลึกทันทีนะว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรเนี่ยพูด น, นึกขึ้นมาทันทีนะหรือใครทําผิดศีลข้ออื่นก็กำลงนึกถึงนะเพราะฉะนั้นท่านหลบไม่ได้นะจิตเป็นอนัตตาเนะั้นไม่ใช่เราเนะี่ยบังคับควบคุมไม่ได้เลยมีอย่างเดียวคือสร้างเหตุใกล้ๆเอาไว้คือรู้หลงรู้หลงเอาไว ใครทำผิดทำพลาดอะไรผิดศีลเนี่ยขณะที่ผมกำลังพูดเนี่ยถ้าเราลึกขึ้นมาหมดนะยุ่งแล้วนะเนี่ยก่อนตายขึ้นแน่นะควบคุมได้เหรอเพราะฉะนั้นมีแต่อริยมรรคมีองค์แปดนะแล้วต้องใช้เวลาด้วยในการล้างสัญชาตญาณเดิมให้นึกไว้อย่างเดียววันจมีคนมาถามผมว่าแล้วถ้าเคยทำผิดทำพลาดในชีวิตมาก่อนจะทายังไง ผมไม่ต้องไปห่วงอะไรเรื่องทำบิดทำพลานในชีวิตเราผิดกันทุกคนนะ่ะองคุริมานหนักกว่าเราอีกท่านฆ่าคนทีง้าร้อยเก้าสิบเก้าคนเลยลไม่มีไม่มีใครทำขนาดนั้นนะ่ะต่อให้มือสังหารยังไม่ฆ่ามากขนาดนั้นเลยต่อให้ทำอาชีพทหารพลานที่ฆ่าทุกอย่างเนทะ่าที่ผมเจอทหารพลานมานั่งคุยยังไม่เคยมีใครเกินห้าสิบสี่คนเลยที่ฆ่ามาเนี่ยผมนั่งคุยกับคนที่ฆ่ามาแล้วห้าสิบสี่คน ก็ปกตินอกน้อมดีค่าคนเดียวก็จะตายอยู่แล้วจิตใจอะนะถ้าองคุริมาณค่ามามากขนาดนั้นแล้วคนได้นะมีคนทูลถามพูะเจ้าว่ารู้สึกจะเป็นตอนที่องคุริมาณเนี่ยเสียชีวิตหรือว่าอัมรันภาพอะ ภิกษุก็ถามพู้เจ้าว่าตอนนี้องค์ุริมาณคงตกระลบงไหมอะไสิครับที่พระเจ้าค่าร่วงบอกว่าไม่ท่านเข้าถึงนิพพานแล้วภิกษุที่นั่งคุยกันเนี่ยงบก็ เ, เลยทูลถามพู้เจ้าว่าแล้วสมัยที่เขาเป็นค า, ารวะเขาฆ่าคนม า, มากมาย แล้วบาปกรรมนั้นอยู่ที่ไหนพระเจ้าตอบว่าสมัยที่เขายังทาผิดเขาทำด้วยความไม่รู้เขาทำด้วยความไม่รู้แต่หลังจากนั้นหลังจากที่เขาได้พบตถาคนภราสาสดาแล้วเขาได้เดินตามทางแห่งอริยมากแล้วก็พ้นไปได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าตอนที่องคุริมานเนี่ย ตบน้้อ ง, องออหมดไหมเลยจิตใจไี่เร่าร้อนหมดเลยวันที่เข้ามาบวชเนี่ยไม่ใช่ง่าย <c oughs> ไม่ใช่ปูได้พักเขาทุกครั้งที่นั่งสมาธิจะเห็นภาพผู้หญิงคนแก่เด็กที่ร้องขอชีวิตขณะที่กําลังร้องร้องไห้ขอชีวิตคนกันมันจะถูกฆ่าท่านลองดูภาพก็แล้วกันร้องไห้ขอชีวิตอย่าฆ่าเลยอย่าฆ่าเลยเนี่ยแล้วก็ฆ่าอย่างเลือดเย็นทุกคนเพื่อจะเอานิ้วมาเท่านั้นเอง ฆ่าอย่างเลือดเย็นทุกคนเพราะฉะนั้นภาพเหล่านั้นเนี่ยบริวายกลับขึ้นมาในใจท่านนั่งสมาธิไม่ได้เลยท่านหลับตาไม่ได้เลยท่านเห็นแต่คนมาร้องขอชีวิตในวินาทีก่อนที่ท่านจะฆ่าเต็มไปหมดเรานั่งสมาธิมีภาพมันขึ้นหรือไมไม่มีเพราะฉะนั้นเราดีกว่าท่านเยอะผมถึงบอกว่าถ้าองคุาริมาณบารรลุธรรมเป็นพระหาได้เนี่ยผมว่าผมทาได้ วันที่ผมเข้าสู่การปฏิบัติธรรมผมบอกตัวเองเลยถ้าองคุริมาณยังบรรลุได้เนี่ยผมว่าผมทำได้จากวันนั้นถึงวันนี้ยี่สิบปีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยผมจะมีองคุริมาณเป็นไอดอลเลยจริงๆในใจของผมเนี่ยถ้าท่านทาได้ผมทำได้ผมอาจจะคนเป็นคนเลวคนบาปคนชั่วมาก่อนก่อนที่ผมจะตัดสินใจเข้าบวชวันนั้น ผมโดนมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าหรืถตัดหน้าผมหยิบปืนแล้วขึ้นไกลเลยแล้ววิ่งเข้าไปตีคู่แล้วแว๊บขึ้นมาในใจที่เราทําอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็เก็บปืนแล้วก็ขับรถไปยุ่งขุนศูนย์สองเลยจอดรถแล้วเดินเข้าปรตีเลยผมไม่ออกไปข้างนอกอีกแล้วแล้วผมตัดสินใจบวชเลยขนาดปฏิบัติธรรมมาแล้วสิบปีตอนนั้นผมยังชักปืนจะยิง เรื่การล้างสัญชาตยานเดิมไม่ใช่ธรรมดีนะแต่มันอยู่ที่ความมุ่งมั่นเอาเป็นอดตายคือตายเป็นตายไม่เอาอีกแล้วผมจังจําภาพนั้นได้ผมจอดรถโตโยต้าพาร์โด่จอดอยู่หน้ายุบุญเนี่ยล็อกุญแจเดินเข้าไปที่โต๊้ผมวางกุญแจไว้ที่โตะเจ้านที่ย uh ุบุญรถคันนี้ผมมอบให้ยุพุญใช้รับส่งพระได้เลยผมไม่ใช้อ่ะถ้าผมเดินเข้าไปกุฏิเลย แล้วรอวันบวดเลยผมไม่อยู่ข้างนอกแล้วผมรู้แล้วว่ามันเสียงแค่ไหนจากนั้นก็จึงเป็นที่มาของหนังสือดูจิตถึงพันศาวันนี้จะทำอะไรก็รีดทำเรามีโอกาสเปลี่ยนทุกอย่างได้ตอนที่ยังมีลมหายใจเท่านั้นตายไปแล้วเปลี่ยนยาก นอกจากพลิกจิตเอาจากประสบการณ์เดิมการจะเปลี่ยนอะไรการจะเจริญอะไรจะเจริญตอนมีชีวิตเนี่ยการจะฝึกก็ต้องฝึกตอนมีชีวิตนี่แหละนทีเศร μ ο λ ι σ τ ώ ρ α ς το μ α τ έ ρ α ς π ο υ ρ γ ι τ ή ν ι Κινάτο. Ένας πουργιτήνιο α ν τ έ ρ α Ένας πουργιτή. Σπου. και τις 21 φορές όποτε ήταν έ ν α σ πούλιμος. τ ο ν αγκάλισε τη φερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση ξανά και ξανά, χ ω ρ ί σ τ η κ ε με όλη τη σ τ ο γ ή για τον ό μ ο ρ ρ α γ ι ส่งเสี้ยวชั้นโตใหญให้การศครคอย น, นทช ด, ดูแลจิตใจ ร่วมกันขอเชิญคุณลูกที่มากับคุณพ่อคุณแม่ไปจูงคุณพ่อคุณแม่นั่งที่เวทีข้างหน้านี้เลยครับเราจะให้ท่านได้มีโอกาสทําพิธีกัตัญุตาขอเข้ามาในสิ่งที่อาจจะเคยทําผิดพลาดพลัไปบ้างอาจะเชิญนั้นลูกๆไปพาคุณพ่อคุณแม่มาเลยมีทั้งหมดกี่ครอบครัวเชิญนะครับ คัวที่เป็นสมาชิกทีคุณพอ่อคุณแม่นั่งตรงไหนเชิญนะเสร็จแล้วก็ให้คุณแม่นั่งข้างบนนะครับหรือคุณพ่อนั่งข้างบนแล้วก็เราทุกลูกก็นั่งคุกเข่าอยู่ข้างหน้านะนั่งคุกเ ข, ข่าหนะา สวัสดีครับเชิญครับเชิญครับส่วนพวกเราที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้นะครับหรือว่าอาจจะท่านอาจจะสิ้นไปแล้วก็ตามเดี๋ยวเราก็จะทำพิธีร่วมกันเราลึนนึกน้อมขึ้นมาในใจทุกอย่างก็อยู่ที่จิตนี่แล น่าจะพอดีนะถ้าไม่พอก็สั่งนี้ต่อต้งนี้ต่อใครมีเพื่อนๆนมากับครอบครัวของที่มาตรงนี้จะถ่ายรูปให้ก็เชิญนะครับเราเดี๋ยวค่อยส่งกันให้มีไหมใครที่มาเป็นญาติเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันก็ถ่ายไว้ให้เขานะก็เป็นภาพมันเป็นมงคล เอาละนะครับทุกคนผนมือขึ้นนะรวมถึงพวกเราที่ไม่ได้มีคุณพ่อคุณแม่มาส่วนลูกๆที่มีคุณพ่อคุณแม่มาก็ตั้งใจนะผนมือขึ้นถือพวงมาลัยเอาไว้น ะ, ะตั้งใจจริงๆนะครับพระกล่าวตามผมบาป ก, กรรมอันใดอันลูกได้ประมาทพลานพลั้งร่วมเกินในพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ ขอคุณพ่อคุณแม่โปรดยกโทษโปรดอาหัวซิกรรมให้กับลูกด้วยเพื่อไม่เป็นบาปเป็นเวรเพื่อการสำรวมระหว่างในโอกาสต่อไปอส่งกลมอะไรให้คุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ก้มลงกราบที่เท้าของท่านใช้นัาผากคือส่วนที่สูงที่สุดของเรา จดลงไปที่เท้าของคุณพ่อคุณแม่จดลงไปที่เท้าเลยนะครับถ้าจะร้องไห้ก็ใช้น้ำตาของเราร้องไห้ล้างเท้าท่านเลยะะแล้วก็ขึ้นมากอดท่านไว้นะครับท่านกอดเรามาตั้งแต่เกิดตัวเล็กๆกอดท่านไว้แล้วก็จะพูดอะไรก็บอกท่านอยากจะพูดความในใจอะไรก็บอกไปอยากจะขอโทษในสิ่งที่ทาผิดก็บอกไป เรื่องหนึ่งที่ผมไม่เคยสอนในคอร์สปฏิบัติเลยก็คือความกระตัญยูทุกคนที่มานั่งอยที่นี้มีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานนะครับภาพทั้งหมดก็ได้แสดงออกมากว่าคำพูดใดๆนะครับก็ขออนุโมทนาครับครอบครวัวเป็นสัมมาทิ่ติทุกครอบครวัวเชิญเลยนะป้า พอคุแม่กลับไปที่ก็โชคดีนะครับแต่จะพิเศษว่าโชคคอือครอบครัวที่ได้เกิดมาอยู่ในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ช่วยสนับสนุนเคกื้อนหนุนกันจนไปได้เข้าสู่ทางในการทํากุศลมาดีเมื่อเกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็จะมีแต่ผู้ที่คอยสนับสนุนเคกื้อนหนุนกัน ถ้าประชาตินั้นก็ง่ายขึ้นเพระองค์ประกอบหลายอย่างช่วยกันชักนำกันลูก่าพ่อแม่เข้าพ่อแม่พาลูกเข้าก็ง่ายอย่างผมเองเนี่ยแม่เนี่ยพาเข้าวัดพาเข้าวัดแม่ยินดีพาเข้าวัดก็แตผมตัวเล็กๆผมจรู้เรื่องไม่รู้เรื่อ ง, องถ้าเรพาเข้าไปก่อนเนะพราะฉะนั้นความเคยคุ้นเป็นเรื่องใหญ่พ่อแม่วันนี้มีลูกน้อยเนี่ยเราพาไปแต่ห้างเพราะฉะนั้นความสึมซับก็จะซึมซับไปได้ ผมอาจจะจิตใจก้าวรล่าแข็งอะไรก็แล้วแต่แต่ด้วยความที่ท่านพาเข้าไปแล้วก็ตั้งแต่เด็กๆ เ, เวลาเข้าไปผมก็จะนั่งฟังฟังฟังพระเทศน์ผมก็นั่งฟังนั่งเงียบๆผมจําประโยคหนึ่งที่แม่พาผมเข้าไปได้เวลาพาไปแม่บอกว่าแม่พาลูกมาวัดนั่นก็การให้ร่ม ลูกอาจจะไม่รู้หรอกว่าร่มสําคัญอย่างไรจนกว่าฝนจะตกผมก็ไม่รู้จนวันหนึ่งที่ผมประสบความทุกข์อย่างแสนสาผมถึงได้รู้ว่าร่มสําคัญอย่างไรในหลักสูตรนี้เราก็จะเห็นว่ามีชีสองรูปที่นั่งอยู่ที่นี่หลายท่านก็คงรู้จักกรมการอุบาสิกาใจพระ นี่ก็เป็นชีสองรูปในทั้งสี่รุ่นที่ปวดกันมาแล้วก็ประมาณ100ร้อยกว่ารูปซึ่งในปีนี้ปีหกหนึ่งเราพักโครงการอุบาสิกาใจพระก่อนแต่ที่วัดหลวงพ่อก็ยังมีการปวดปวชชีอยู่ใครสนใจก็ยังบวดได้ชีทั้งสองรูปเนี่ยคือยังชี อ่านเนี่ยที่เห็นอายุน้อยๆเนี่ยบางคนก็อาจจะเห็นวหน้าตาก็ยังเด็กๆอยู่เลยนะมาบดชี้จะแล้วเสียดายจังอ้าวราไมเป็นงั้นล่ะนี่ผมเป็นเชฟเบเกอรี่ระดับวิชลินอยู่ที่ออสเตรเลียถ้ามีความทุกข์มาก การสูญเสียความรักจนจะฆ่าตัวตายอันนี้คือสิ่งที่ที่ชี้อย้ผมฟังเนะ่จริงๆผมก็อยากจะยื่ น, นไม้ให้เ พ, พูดเองนะแต่เวลาเหลือน้อยมากผมเลยต้องรวบไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเลยเวลาผมอาจจะไปไม่ทันก็ขออนุ ญ, ญาตขออนุ ญ, ญาตชีก็คงไม่ได้ว่าอะไรเพระทิ้งชีวิตพวกนั้นไปนหมดเลย จะฆ่าตัวตายเพื่อนส่งคลิปการบรรยายของอาจารย์ประเสริฐไปให้นุ้ยจะทำไรนุ้จะช่วยยังไงหลังจะเธอฟังจบก็ฟังแล้วก็ตัดสินใจบินกลับมาเมืองไทยเข้าคอสปฏิบัติเห็นโครงการอุบาสิกาใจพระจึงขอบวดเลยถึงวันนี้ความตั้งใจลึกๆ ก, ก, ก็คือจะไม่ขอกลับไปอีกแล้ว ทิ้งทรัพย์สินที่ออสเตรเลียทั้งหมดขายแล้วบ้ามาทําบุญหมดเลยส่วนชีกรูปหนึ่งชีนิมไม่ใช่สินไร้ไม้ตอบมาจากไหนเลยทั้งสองท่านนี้ท่านหนึ่งขออนุ ญ, ญาตขออนุ ญ, ญาตแค่นิดเดียวสามีเป็นคนหาการเอกเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่ทุกวันนี้ก็ขอเดินทางทางเดียชีวิตไม่มีปัญหาเลยลูกๆเป็นหมอคุณพ่อครอบครัวล้วนมีความรักที่สมบูรณ์แต่เห็นแล้วว่าอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตนี่คือตัวอย่างของสอ ง, สองท่านแล้วตอนนี้โครงการบาสิจจักการใจผ้าเนี้บางท่านก็ทิ้งทรัพย์สินพันล้านแล้วก็ปวดไม่กลับไปแล้วรู้แล้วว่าคืออะไร ชีวิตคืออะไรเกิดมาเวลาที่เหลือจะทำอะไรแล้วต้องทำอะไรให้เสร็จที่สาคัญไม่ใช่เงินแน่เอาละก็เป็นขออนุโมทนานะครับชีทั้งสองรูปอย่างน้อยที่สุดก็เป็นตัวอย่างให้บุคคลผู้คนได้เห็นถึงความมุ่งมั่น ก, กล้าา แน่นอนที่สุดฟังดูก็เหมือนชีวิตจะโอยได้เปลีกยนลังแต่ทั้งสองท่านตอนนี้ก็ต้องฝ่าฟันกับความเคยชินเคยคุ้นเดิมแน่ๆเพราะนี้เพิ่งปวดนอกอกเดือนเองความเคยชินเคยคุ้นเดิมก็ทําท่าจะลากออกไปอยู่บ่อยๆก็จ้อต้องมานั่งฟังเติมพลังเข้าไปเรื่อยๆก่อนจนกระทั่งมันพ้นไปพ้นไปได้ระดับหนึ่งแล้วก็คงจะเดินทางต่อได้ง่ายมาก ชีวิตของนักบวชหรือสัมมาอาชีวะพิสูจนในทางวินัยของพุทธเจ้าเหมือนเดินอยู่บนซุปเปอร์ไฮเวย์แต่มันจะยากตอนแรกที่ต้องพากจากสิ่งที่ตัวพวกเราต้องเราเคยคุ้นจะยากตอนแรกแต่ส่วนใหญ่คนที่ตัดสินใจบวชก็คือพวกเราที่มาเหมือนกับพวกเราที่มาเข้าปฏิบัติธรรมบ่อยๆแล้วการมาปฏิบัติธรรมบ่อยๆมันเน่คามาไปอยู่ในตัวอยู่เรื่อยๆ มันดึงดึงปล่อยปลอยดึงดึงปล่อยปมาอยมาเลยแต่ถึงเวลาอย่างนี้มันดึงเลยถึงเวลาเอาจริงแล้วดึงขาดเลยของเรามากินสองมื้อมัาเต็มที่ชั้นเมื่อเดียวอยู่แล้วตื่นที่สามชั้นเมื่อเดียวแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในในข้อวักยนไม่ยากะที่จะเราก็รู้แล้วว่าการลากความเคยชิดคือหนทางเดินสู่ทางสายกลาง มาถึงในช่วงสุดท้ายนะมีใครมีคำถามอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ก็คงถามไม่ทันนะ <c ười> คำตอบได้ไปหมดแล้วนะต้องถามนะ <c ười> แล้วก่อนจบในทุกบทสตดก็มักจะเปิดนยะจะบอเปิดทุกครั้งก็ไม่เชิอ แต่มักจะเปิดส่วนใหญ่จะเปิดพระธรรมบทนี้เป็นบทจบพวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สูขแก่มหาชนเพื่อความเอน็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้กูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงแสดงธรรมให้วดงามในเบื้องตน้นคือศีลงดงามในถ้ำกรา ก็คือเหรียญดงามในเบื้องปลายก็คือประนิพพานผมว่าหลักสูตรนี้ถึงแม้จะเป็นหลักสูตรสั้นๆนะแต่ทั้งสามอย่างที่พระเจ้าตรัสไว้ในเบื้องต้นทางการแล้วก็เบื้องปลายอัดแน่นอยู่ในสองวันนี้แล้วสามวันนี้ให้เป็นไปพร้อมทั้งอัดถาก็คือความหมายคือการแสดงความหมายให้เกิดความเข้าใจ พร้อมทั้งพยัญชนะคือบทคําพูดของพระพุทธเจ้าซึ่งผมก็ขึ้นจอให้ท่านดูเสมอให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคําสอนของพระองค์ผมไม่เคยเอามาแต่งแต่งเติมเสริมด้วยความรู้สึกของตัวเองสิ่งที่ทําให้ท่านคือทําให้ท่านเข้าใจคําของพระพุทธเจ้าท่านนั่นเองไม่เคยเอาความเห็นของตัวเองเข้าไปปดสัดทหลาย ที่เป็นพวกมีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยเขามีอยู่สัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้เพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีแน่นี่คือคำที่ท่านบอกเอาไว้กับสาวพวกให้พวกเธอเดินประกาศธรรมออกไปเรื่อยๆให้ผู้คนได้ยินได้ฟังออกไปเรื่อยๆสัตว์โลกผู้มีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยเกลื่อนฝนอยู่ใน พื้นแผ่นดินทั้งโลกผู้ที่สัสมบารมีมามากพอมีอยู่ทั่วไปในโลกพวกเขาจะเสื่อมจากคุณที่สัสมมาเพราะไม่ได้ฟังธรรมต่อให้ท่านมาเข้าเป็นครั้งแรกก็ตา่างถ้าท่านนั่งฟังตั้งแต่วันแรกอาจจะรู้สึกเบือ่อเบือปฏิบัติทำมล้ท่า น, ท, น ท, ำ ท, ทำอะไรพูดอะไรฟังฟังไปฟังไปท่านจะรู้รู้สึกเองว่าเฮ้ยนี่มัอนอะไร ถ้าไม่มุมมองไม้เหมือนกับที่เราเข้าใจแล้วท่านจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเฮียยังบางคนนั่งฟังแล้วก็ร้องไห้บางคนน้งตาไหลบางคนขนลุกแบบโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยเหมือนกับได้เจอทางออกจากโลกเหมือนกับได้เจอขุมทรัพย์สมบัติตื่นขึ้นมานั่งบางคนเนี่ยหรือไม่ต้องบางคนอ่ะปวดฉี่ยังไม่อยากรู้ไปฉี่เ กลัวจะพลาดไม่ได้ยิ น, นผมไม่บรรยายที่ไหนนะแทบจะทุกที่ที่มาบอกผมปวดฉีมาก แ, แต่ไม่กล้าลุกลุกตั้วกลัวมันพลาดจากที่สิ่งที่ควรจะได้ยินนาทีสองนาทีก็ไม่อยากที่จะหลุดออกไปแม้แต่คนที่ไม่เคยคิดจะฟังธรรมอย่างพวกสสผมบอกให้ผมได้รับเชิญไปให้พูดธรรมะให้สสฟังที่แรกผมไม่รับอาการยเนย ผมเดินก็ไปถึงเขนานัดเก้าโมงเช้าเริ่มเก้าโมงเช้าใส่สูตรตั้งคุยกันจางล่างเลยในห้องประชุมผมก็นั่งอยู่เฉยๆนะไม่มีใครมองผมเลยไม่มีใครสนใจผมด้วยจนคนที่เชิญผมมาอาจารย์พอรอมเนี่ยผมมาพร้อมตั้งแต่ที่บ้านแล้วพวกคุณมาพร้มอมไหมยังพร้อมแล้วอ้ะนี่เดี๋ยวพร้อมทางล่ลางไปหมดทั้งห้องประชุมเนี่ยอาจารย์ขึ้นไปแล้พูดไปเลย เดี๋ยวเขาฟังเองอะจริงเหรอ <c oughs> เป็นใจของเอาแล้วเว้ยคือพวกนี้มีแต่พูดที่คนฟังนะมีอย่างจะฟังคนอื่นพูดมีแต่ยกมือประท้วงอย่างเดียวผมขึ้นไม่ฟังจริงด้วยผมทั้งพูดทั้งเปิดคลิปผมรู้และสิบห้านาทีแรกผมเอาไม่อยู่เนี่ยเอาไม่อยู่ละสิบห้านาที มีเวลาส5บห้าทีสำหรับตัวเองผมบอกเลยต้องเอาให้อยู่สิบห้าทีทุกค น, นยิบมกริบเลยหันมานั่งมองแล้วก็ฟังไปไเรื่อยๆผมพูดท่นั้นผมพูดไม่หยุดเลยทั้งพูดทั้งเปิดทั้งสร้างความเข้าใจไปไเรื่อยๆจบเบรกแรกสิบ0มงครึ่งผมลง <c oughs> ผู้ชายคนหนึ่งหนวดเขาเฟิร์มเลยอิสลามเป็นผู้นำศาสนามุสลิม อยู่สามจังวดชาแดนภาคใต้เดินก็ามาหาผมนั่งที่โซฟานั่งกับผมมองหน้าผมแล้วก็บอกว่าอาจารย์พูดดีนะผมก็ไม่รู้เขจะมาอย่างไรผมไม่ยิ้มยิ้คือหน้าก็เย็นเย็นถ้าท่านนึกไม่ออกให้ท่านนึกถ้าหน้าบีระเด็นอย่างนั้นเลยหน้าอย่างนั้นแล้วก็นั่ง ถ้าอาจารย์พูดไม่ดีผมลุกตั้งแ่ห้านาทีแรกแต่ผมอยากฟังแค่ฟังผมแค่เบรกเดียวเขาบอกว่าพุทธศาสนานี้น่า ก, กลัวนะ่นากลัวตรงคนรู้จริงออกมาพูดเนี่ยพอพูดจริงนะชาวพุทธไม่อยู่ในใสายตาผมนะ วันนี้ผมจะฟังถึงห้าโมงเย็นแล้วเขาก็กลับไปนั่งฟังผมก็พูดต่อจนห้าโมงเย็นแต่ระหว่างนั้นเนี่ยสสที่ว่าสสเนี่ยพอเที่ยงเนี่ยคือมันมีคนฟังอยู่แค่ไม่ถึงครึ่ง น, น่แล้วน่าจะก็ออกไป ผมก็ถามที่ตั้งหัวข้ออะไรสติและสมาธิในการดาเนินชีวิตผมบอกคงมีคนฟังหรอกตั้งหัวข้อเนี้ย <c oughs> คงมีคนเข้าหรอกตอนช่วงก่อนที่ผมเียับรรยายอยู่ตามบริษัทเนี่ยผมบ็ห้ามตั้งคำว่าสติกับสมาธิอยู่ในประโยคนะมันไม่มีคนฟังคนมันต้ผมรู้แล้วหึงน่าเบื่ออะไรเงี้ยต่อไปก็ต้องตั้งอะไร e อ p ม w e r อะไรกันไม่รู้ละคือมันต้องไปแนวนั้นเลยคนมึงจะฟังนะ power mind, อะไรเดี๋ยวาอร์าอะไรยเี่ยทีนี้พอเบรกตอนเที่ยงเนี่ยผมได้ยินพวกรีบกดโทรศัพท์หาเพื่อนเฮ้ย <"Hey, S 1> มึงรีบคละฟังเลยฟังอะไรก็คุยอยู่นะมึงไม่ฟังมึงจะบอ้คำเดียบนเสียชาติเกิดจริงๆ้เขาเรียกตอนบ่ายคนเริ่มแน่นขึ้นมาอีก แต่ผมก็นึกว่าคนจะลดลงเพราะเะว่าเจ้าภาพเขาบอกผมว่าพอดีวันที่พระเทพเสด็จเดี๋ยวหลายคนต้องออกไปรับผมไม่ไปแล้นในในวก็ทำงานไปแล้วเหลือเท่าไหรผมก็พูดเท่านั้นเฮ้ยทำไมมากขึ้นผมก็ถามเขาเขาบอกว่ามันให้คนอื่นไปกันหมดแล้วอยากจะลองฟังดูนะพอบาบผมพูดจบทุกคนก็เสียดายชิปเพยงเพื่อนไม่ได้มาเพื่อนไม่ได้มาพูดกันอย่างนี้ ก็มาบอกผมว่าอาจารย์จัดอีกได้ไหมผมไม่เอาแล้วพอแล้วไม่อยากมาแล้วบอกเที่ยวนี้ผมจะไปจัดที่ต่างจังหวัดคือล็อกมันไม่ให้กลับไม่ออกคือ <c oughs> ปิดห้องประชุมเลยออาจารย์พูดคือทุกคนจะไม่รู้ว่ามาฟังทำไงเอาไปจัด ก, จกิจกรรมแล้วก็ปิดประตูค้อกแล้อาจารย์ขึ้นทั้งวันเลย <c oughs> แล้วไม่ให้กลับด้วยไปยได้เลยได้เขน แล้วก็ติดต่อมาไปพัทยาปิดอรงแรงเลยเพระพัทยาประสเอ้ยมันยิ่งสบายเลยทีนี้ทีนี้ตอนจบโต อ, อิมาลับมาหาผมตามพุทธดดีนะทีนี้ผมไปคนเดียววะนะันนั้นก็เลยจะนั่งสนทนาแัแป๊บรู้ไหมทำไมก็ถึงบอกว่ า, าศาสนาพุทธนี่น่ากลัว ชาวมุสลิมเนี่ยละหมาดวันละห้าครั้งถูกไหมศาสนาเขาเนี่ยมีผู้นำคำสอนมาแต่ไม่ต้องมีนักบวชเพราะทุกคนในศาสนิก ค, คือนักบวชพระธ ร, รมวัดเช้าทำวัดเย็นมุสลิมทำวัดวันละห้าครั้งและเดินตามทางของ คสอนในคำภีเพราะฉะนั้นศาสนาของเขาจะเข้มแข็งมากมีช่วงเวลาเดือนละมาดอนที่ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ไม่ทานข้าวในตอนพระอาทิตย์ขึ้นถึงตกน้ำลายก็ต้องบ้วนทิ้งเมื่อคนเรามันหิวมันจะเห็นรู้เลยว่าคนที่หิวเป็นยังไง วันนี้เพราะเราไม่หิวเราจึงมองไม่ออกว่าขอทานทุกอย่างไรเพราะฉะนั้น <c oughs> พวกเขาหิวแต่เขาอดทนเพราะฉะนั้นจิตมันจะแข่งขึ้นทตั้งแต่เด็กเลยจิตจะเข้มแข็งแข่งมีสมาธิตั้งแต่เด็กเขาถึงบอกาศาสนิาของพุทธเนี่ยหยอดแย่ไม่อยู่ในสายตาพวกบูชาไฟ ไม่มีความตั้งมั่นอะไรทั้งสิ้นหยอดแย่ใช้ชีวิตแบบเลวเปรวไม่อยู่ในสายตาแต่พอฟังผมพูดปั๊บเนี่ยถ้าคำสอนนี้ลงไปในพุทธศาสนาหรือาศาสนาศาสนกจริงๆเนี่ยพวกเขาจะมีทรรมอยู่ในทุกลมหายใจไม่ใช่แค่ละหมาดวันละห้าครั้งแล้วแต่นี่คือจะมีทมบันทึกเอาไว้ในใจของทุกคน เขาถึงก้าบอกว่าน่ากลัวตรงมีคนรู้จริงออกมาพูดเลยถ้าเป็นอย่างนี้กันได้จริงๆทั้งหมดเนี่ยใครก็ทําอะไรไม่ได้เพราะพอกเกิดสัมมาทิฏฐิลงไปในแต่ละคนแล้วเนี่ยไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครสอนเสร็จแล้วก็ายิบกระเป๋าผมก็คุยกันเสร็จผมก็หยิบกระเป๋านวดบุกผมจะเดินกลับไปที่รถผมหยิบกระเป๋าก็เขาคว้ามือเขาเอามือคว้ากระเป๋าผบกไว้ผม คือความที่คนเรามันไม่ไว้ใจกันอยู่แล้วนะเราก็ทำงานกันคนละหน้าที่คนละที่อยู่แล้วมาคว้ารถบูกผมเนี่ยผมก็นึกไม่ออกนะว่าคว้าับอะไรผมถือให้ผมก็ปล่อยป่อยแล้วก็เดินคุยกันไปเดินคุยไปที่รถกดรีโมทปั๊บก็มือคว้าประตูฝั่งคนนั่งแล้วเปิดแล้วก็นด้ดบุ๊คกว่าแล้วก็ปิด แล้วก็เดินอ้อมไปประตูฝั่งผมแล้วก็เปิดให้ผมขึ้นผมก็ยกมือไหว้แล้วเขาบอกว่าคงได้เจอกันอีกหน้าจาร์ผมก็บอกว่าเชิญมาสิ <c oughs> แล้วก็ลากันแล้วผมก็ได้เจอเขาอีกทีหนึ่ง นะจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกเราก็ต่างทาหน้าที่เนี่ยต่างทหน้าที่ทุกวันนี้ผมก็ยังลงไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีละสองครั้งแต่ไม่เคได้แวะเข้าไปไม่อยากจะไปเปิดประเด็นอะไรเราก็ลงไปช่วยผู้ศาสนาของเราสืบสารเนื่องจากพระอยู่ลงบากมากที่นั่นแล้วก็ไม่มีชาวพุทธลงไปเลยทุกคนก็กลัวตายกันหมด อทีนี้มาถึงตอนจบจริงๆแล้วนะครับหกโมงครึเราจะได้แยกย้ายกันกลับก็ยังมีคอสอีกเยอะแยะมากมายนะก็รีบเข้าก่อนตอนตอนนี้มันยังมีตัวเข้าไปถ้าตอนมันไม่มีก็แวะไปได้อยู่แล้วอสมมุติว่าสมมุตินะสมมุติว่าปีหน้าท่านเปิดตารางคอสปฏิบัติอาจารทําำไมโล่งหมดเลยไม่มีอะไรเลยไม่เปิดแล้วใช่ไหมเนี่ยนะก็ไม่ต้องตกใจนะ เปิด YouTube ก็ยังมีซีดีก็มีหรือว่าเขาก็คงมีข่าวนะผมอยู่ที่ไหนบ้างถ้าจะแวะไปปฏิบัติเกาะพะลวยบ้างสวยนยิน ด, ดีบ้างนะหรือว่าถ้ามันยังมีคอร์สอยู่ ก, ไกไ็ไปเถอะตรงไหนก็ได้ไปะใครอยากจะไปลองไปเยี่ยมชมสวยนยิน ด, ดีทะเลไปปฏิบัติบ้างนะก็เชิญในเว็บเห็นลงไว้หกสิบคนมีอยู่ตอนนี้ก็จะสามสิบคนแนละ้วนะทาไมมันน้อยนะ่ะ มันมีอีกกรุ่หนึ่งอีกสามสิคนที่ไม่ได้ใส่ชื่อนะที่มาจากาสงขลานครินแพทยศาสตร์อีกสามสิบทนก็จะเต็มอยู่แล้วแะแต่ท่านก็จะสมัครก็สมัครไปเถอะเพราะว่าส่วนยินดีจุคนได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วหรือเกาะขรวยตอนนี้ก็ยังว่างที่หนึ่งบ้ง น, นะหรือยุคุติหนึ่งแล้วก็คอสอื่นก็ยังมีนะ คนก็ชอบไปคอสที่คนอื่นแน่แนๆ น, นะครู้เป็นไงเห็นคอที่ว่างก็ไปสมัครอันไหนเต็มแล้วก็ไปซ้อนกันอยู่นั่นแหละสัมลองกันอยู่นะผมก็สงสัย้ออื่นก็มีทําไมไม่เขาต้องไปสัมลองกันอยู่นะตรงไหนแน่นก็จะแน่นนะร้านอาหารไหนแน่นคนก็จะแน่นอยู่ตรงนั้นไหนนะไปอีกครั้ง <c oughs> ทำไมพอ ม, มันแน่นมันก็ต้องแน่นมันจะตามกันปีที่แล้วปฏิจจสมุทบาศคอสปฏิจจสมุทบาศล้นจนรู้จะล้นยังไง เออน้ำท่วมนครก็ได้ต้องย้า ย, ายปีนี้โล่งห้าสิบคนรับแปดสิบคนยังว่างสามสิบคนไม่มีคนสมัครแล้วเดี๋ยวเราพอมันจะเปิดคนแน่นล้นแล้วก็ทะเลาะกันอยู่นั่นน่ะทําไมไม่รับก็ตรอดมันว่างทําไมไม่สมัครผมนั่งเฮ้ยตรอดมันว่างทําไมมันไม่สมัครแล้วก็ต้องรอสมัครไอตอนที่มันปิดแล้ว <c oughs> ทํำไมนะ Blender, คือมันไม่ไม่มั่นใจบ้งะเวลาจะเข้าร้านไหนเนี่ยคนน้อยๆไมไม่ค่อยมีคนอ่าพอคนแน่นปั๊บจะเข้าอ่ะไม่มีโต๊ะก็ยืนรออีกอ่เลยเปิดเลยตอนนี้นึกอะไรไม่ค่อยออกปดเปิด